๙อุทายีสูตรว่าด้วยท่านพระอุทายี29ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระอุทายีได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามแล้วอย่างนี้แม้ครั้งที่สองพระอุตายีก็นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายี อนุสติฐานมีเท่าไรหนอแม้ครั้งที่สามท่านพระอุธายีก็นิ่งอยู่ครั้งนั้นท่านพระ อ, อนนท์ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระาศาสดาตรัสถามท่านท่านพระอุทายีตอบว่าท่านอานน์ผมได้ยินพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอยู่ และได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ น, นี้เป็นอนุสติฐาน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระ อ, อนนท์มาตรัสว่าอานนท์เรารู้แล้วอุทายีนี้เป็นโมคะบุรุษไม่ประกอบอธิจิตอยู่และตรัสถามท่านพระอานนท์ต่อไปว่าอานนท์อนุสติฐานมีเท่าไหร่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อนุสติฐานมีหประการอนุสติฐานหประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการรมและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายในมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางกลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยชฌาน ที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. ภิกษุมณสิกาอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาไว้เป็นกลางวันอยู่มานสิการอาโลกสัญญาว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นภิกษุนั้นมีจิตปลอดโปร่งไม่ถูกนิวรนผัวพันย่อมเจริญจิตที่มีความสว่างด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นอนุสติฐานที่พิสูจ์เจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะสภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต หัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่ําเป็นไปเพื่อละกามราคะสี่ ภิกษุเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าตายแล้วหนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นมีสีเขียวคลำ้ำมีน้องไหลออกอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม่กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าถูกฝูงกานกเหยี่ยวนกแรง้งสุนักสุนักจิ้งจอกหรือสัตว์มีชีวิตต่างๆกำลังกัดกินอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากอย่างนี้ไปได้ ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีโครงกระดูมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงไว้มีแต่โครงกระดูไม่มีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงไว้มีแต่โครงกระดูปราศจากเนื้อและเลือดยังมีเอ็นรัดรึงไว้มีแต่ท่อนกระดูปราศจากเครื่องผู กระจายไปคนละทิศละทางคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้หรือภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกที่มีสัตว์ทาให้เป็นกองกองเกินหนึ่งปีเป็นกระดูกผุแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างไรก็น้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่า แม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แม้ภาวะอย่างนี้ก็ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอสศมิมาณะได้ 5. ภิกษุเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน จึงบรร ล, ลุจะตุทถชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เป็นอนุสติฐานที่พิสูจน์เจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อรู้แจ้งธาตุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ, อนุสติฐานห้าประการ น, นี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดลด่าเดลาอานนท ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำอนุสติฐานข้อที่หกนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสติก้าวหน้าไปมีสติถอยหลังมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสตินอนอยู่มีสติประกอบด้วยการทำงานอานนนนี้เป็นอนุสติฐาน ที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอุทายีสูตรที่เก้าจบ